เชิญเชิญม่ชีมาจากวัดไหนมาจากที่สถียนธรรมสถานค่ะเอ้าเอาไม่มากับเขาเมื่อวานเมื่อวานเราเต็มค่ะกันเลยมาวันนี้ <c oughs> ก็ปุงซ่านมากค่ะคิดมากแล้วก็มีโมหะเยอะค่ะดูโมหะออกไหมถ่าบางครั้งก็ออกค่ะบางครั้งก็เผลอค่ะ โมหามันมีหลายแบบโมหาหนึงก็คือใจฟุ้งซ่านในขณะใจฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็ดูสภาวะไม่ออกเมื่อไหร่ดูสภาวะไม่ออกนั่นแหละเรียกว่าโมหะดูไม่ออกเพราะว่าฟุ้งซ่านอันหนึ่งดูไม่ออกเพราะว่ามัวแต่สงสัยเกิดความสงสัยมากคิดใหญ่คิดคิดคิดไปนั้นก็ดูไม่ออกอีกพวกหนึ่งซึมซึม ซ, มซึมกระตือไม่รู้เรื่องอะไรนะดูไม่ออก อยู่เสถียรงานเยอะงั้นจะต้องพยายามรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจำวันให้ได้เราไม่มีเวลาปลีกตัวหลายวันไปพอวนาเราก็เอาชีวิตของเราที่อยู่ในโลกธรรมดานิดนเน่งเอามาเป็นแบบฝึกหัดอย่างอยู่กับคนหมู่มากก็ทบกระทั่งเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวรำคาญอะไรเงี้ยนะใจเราเป็นยังไงเราคอยตามดูไปเรื่อย อย่าไปคิดว่าการปฏิบัติคือการแยกตัวเองออกจากโลกมีชีวิตอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติมันตรงนั้นแหละอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนเป็นค า, ารวะก็ปฏิบัติในเพศของค า, ารวะไปทำงานก็ปฏิบัตินะนั่งรถเม์ไปก็ปฏิบัติไปกินข้าวก็ปฏิบัติจะอาบน้ำก็ปฏิบัติจะเข้าห้องน้าก็ปฏิบัติปฏิบัติก็คือมีสตินั่นเอง มีสติรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานฝึกอยู่อย่างนี้เองไม่ช้าหรอกนี้ถ้าเราไปคาดหวังว่าจิตต้องสงบภาวนาแล้วจะต้องสงบต้องสบายต้องดีต้องมีความสุขอันนั้นตั้งเป้าของการปฏิบัติผิดเรกว่ามักน้อยเกินไปศาสนาพุทธไม่ได้กระจอกงอกร้อยถึงขนาดว่าเป้าหมายคือความสุขความสงบหรอกมันตื้นไป มันมีความสุขได้มันก็มีความทุกข์ได้สงบได้ก็ยังฟุงส้านได้อีกเพราะว่าทั้งความสุขความสงบทั้งความดีทั้งหลายล้วนแต่ของไม่เที่ยงเหมือนกันเพาะฉะนันศาสนาพุทธนี่เราภาวนาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนี้ดูความจริงความจริงของกายของใจคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ดูให้เห็นตรงนี้ถ้าใจยอมรับความจริงได้นะ เวลามันเกิดความไม่เที่ยงขึ้นมามันก็ไม่กลุ่มใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่กลุ่มใจนะรู้สึกไม่ได้อย่างใจก็ไม่กลุ่มใจอีกอะไรๆมันก็ไม่มีความกลุ่มใจขึ้นมาแล้วมันยอมรับได้มันเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวไปหมดยามดูนะทุกอย่างในชีวิตเราของชั่วคราวทั้งนั้นเลยดูลงไปอย่างนี้จะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกว่าอย่าใจลอยนี้พูดให้คนที่มาใหม่ๆฟังด้วยนะฟัง จะรอถามหลวงพ่อทีละคนคงไม่ถึงหลังห้องคนไหนมาใหม่ๆนะหัดรู้จักสภาวะไว้อย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมใ ค, ใครไม่รู้จักมีไหม <c oughs> เด็กเล็กๆยังรู้จักเลยใจลอยใจเผลอไปใจเหมื่อไปเมื่อไร่ใจลอยใจเผลอใจเหมือ่อก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจวนะัวแตร่รู้เรื่องที่คิดคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้ ลืมกายลืมใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติแล้ไม่ได้ทำอภิปัสนาละเงันใจลอยให้รีบรู้ไว้ไวอันที่สองอย่าไปเพ่งไว้นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งไม่ว่าจะฝึกมาจากไหนอ่ะไม่รู้ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างดีวิเศษแค่ไหนนะเวลาลงมือทําจริงก็ชอบเพ่งอย่างครูบาอาจารย์วัดป่ามันไม่ได้สอนให้เพ่งเอาเพ่งเอานะ คราอาจารย์มัดป่าแต่ก่อนหลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านสอนให้มีผู้รู้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะยืนเดินนั่งนอนก็มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายก็มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไปด้ไม่ใช่ให้นิ่งแต่ให้ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายในใจไปด้วยที่ท่านสอนอย่างนี้นี่ รุ่นหลังๆเอาแต่เพ่งเอาเพ่งเอานะนิ่งๆแล้วก็เกิดนิมิตเห็นโน้นเห็นนี่แล้วก็ภูมิใจนิมิตก็สนุกดีแต่ไม่เห็นไม่มีสาระอะไรเลยแค่สิ่งที่ดูด้วยตาก็ดูได้ไม่ทั่วแล้วนะยอย่างอยาอุตส่าห์ถอดจิตไปดูโน่นนี่มันไม่มีสาระแล้วก็อย่าไปเพ่งเอาเกือบทั้งหมดชอบเพ่งนะบางคนรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไปรู้ท้องฟองยุก็เพ่งท้อง ไปขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนบอกให้ขยับเพื่อให้รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกสอนอย่างนี้นะีคําสอนที่เฉียบขาดมากเลยให้รู้สึกไม่ใช่ให้เพ่งรุ่นหลังๆสอนนะต้องเพ่งไว้ก่อนสอนเกินที่ครูบาอาจารย์พาทำม า, าส่งคําสอนเดิมของท่านไว้ไม่อยู่รักษาไว้ไม่ได้น่าเสียดายเยิ่งให้เรารู้สึกนะใจหนีไปแว บ, บนะ ใจนี้ไปก็รู้สึกนะใ จ, ใจมันสงสัยขึ้นมาแล้วก็คิดใหญ่เลยก็ให้รู้สึกนะมันเป็นยังไงก็ให้รู้สึกมันไปเรื่อยๆอรรครับธรรมสถานครับเพิ่งมาครั้งแรกค่ะจากสเสถียรกันไหมามาจากสเสถียรหรือใช่เจ้าป่ายังบังคับตัวเองอยู่นะยังอย่ า, ยาไปบังคับมัน ให้รู้กายตามที่เขาเป็นให้รู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไปบังคับเขาเวลาเราไปบังคับกายบังคับใจกายก็นิ่งนิ่งใจก็นิ่งนิ่งมันนิ่งผิดความจริงไป <L an> ให้ปล่อยนะปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจแต่ไม่ให้ผิดศีลนอะปล่อยตัวปล่อยใจใร่างกายเคลื่อนไหวไหมรู้สึกแปตามธรรมดาเห <L an> ็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอก เป็นแค่ร่างกายเป็นรูปเหมันเคลื่อนไหวจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้มันไปเห็นแค่ว่าเป็นนามธรรมที่ผ่านมาผ่านไปก็ดูอย่างนี้อย่าเพ่งเอาหน้าชอบจิตเพ่งแก่ยากแต่นี่เพ่งไม่มากบางคนเพ่งมากก็แก้ไม่ไหวเอาไปยก ok ให้ภระสยานแก้ใหเ้เรียนกับหลวงพ่อนะทอยอย่างเดียวท น, ทนทนไว้แล้วก็เปิดใจกว้างอย่าดื้อ ฟังฟังไปเล่นเล่นบอกให้ดูก็ดูไปบอกให้รู้ก็รู้ไปนะอดทนสักนิดหนึ่งเดือนสองเดือนก็เห็นผลแล้วไม่นานพอเห็นผลแล้วรู้เลยว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงรู้ด้วยตัวเองรู้เลยว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเลยเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่คำสอนของท่านนะเป็นคำสอนของผู้ไม่เนิ่นช้าถ้าปฏิบัติแล้วเนิ่นช้าแสดงว่าทาไม่ถูกหรอกอย่างพระพุทธเจ้าไปบอกตานุรุษ ลานุรุตไปนั่งอยู่ในป่านะพิจรารณาธรรมะธรรมะนี้เป็นของผู้มักน้อยเป็นของผู้สันโดษของผู้ไม่คลุกคลีนะของผู้ปรารบความเพียรของผู้เจริญสติสมาธิจเจริญปัญญาพิจารณาไปเรื่อยพระพุทธเจ้ามาเติมให้อีกข้อหนึ่งนะธรรมะนี้เป็นของผู้ไม่เนิ่นช้าต้องไม่ช้านะเห็นผลฉับพลัน ไม่ใช่ทำไปหลายๆปีก็เหมือนเดิมบางคนนะทำจนอาจารย์ตั้งให้เป็นพระอราหันตะ์กลับบ้านตบกับผัวก็มีนะเนี่ยถามพวกคุณหน่งดูมีนะอาจารย์ให้เป็นพระอราหันตะ์กลับบ้านตีกับผัวครับพวกเพื่อนฝูงถามเฮ้ย hey, ไปตบเ็าได้ไงตบเป็นกริยาอีชานึงนเี่เป็นกริยามันไม่ใช่ของจริงนะมันละกิเลสไม่ได้ ของจริงนะมันเห็นผลเลยกิเลสมันดับต่อหน้าตาตาเลยจิตใจเ้าห่างกิเลสเออกไปเรื่อยๆมันยอมไม่ติดใช้ฝึกไปลูกส่งกันบ้านไห ม, มดีใจว่าใหม่พ้นไปแล้วตกใจว่าใหม่กลับมาอ่ะมันลอยๆ อ, อยู่ค่ะถูกต้องแล้วคุณหมอก็เห็นเห็นสภาวะ ได้บ้างค่ะแล้วก็อยากให้ท่านอาจารย์ตรวจการบ้านให้ด้วยค่ะใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหม<ะ>ใจมันไม่อยู่ในฐานมันอกมันอยู่นอกๆมันรู้ไม่ถึงฐานมันรู้สึกไหมมันไม่ย้อนดูออกไหมมันไม่ย้อนเข้ามาดูตัวเองมันไปนสบายอยู่นอกๆ<ะ>มันไปนสบายเพลินๆ เ, เบาๆนะมันไม่ย้อนเข้ามาดูจิตดูใจ ตอนนี้ดูเลยยังคะอะไรนะตอนนี้ดูเลยยังคะไม่ใช่ตรงนี้แกล้งทำํำนี่แกล้งทําอย่าพยายามสิคือให้แค่รู้สังเกตไหมคุณหมอว่ามันเหมือนใจเราสบายมันปล่งโปร่งเบาๆนะแต่มันเหมือนเบาๆอยู่ข้างนอกอยู่แถวเนี้ยมันไม่ย้อนเข้ามามันย้อนเข้ามาไม่ถึงใจะ ปกติมันมีคำอยู่คำหนึ่งว่าเวลาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความสุขสบายใช่ไหมคะแต่ว่า<ป>ตรงนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยสุขสบายมากไปแล้วอย่างนี้จะสบายไปเรื่อยๆ <c oughs> จะไม่เห็นทุกข์ันเราต้องให้รู้ตัวว่าใจใจเราออกไปข้างนอกใจเราไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานคำ ว, ว่าไม่ถึงฐานนะพูดภาษามนุษย์ไม่รู้จะใช้คำว่างไงนะมันไม่ถึงที่มันต้อง เดี๋ยวพอมันเข้าที่แล้วจะรู้ว่าไม่เหมือนกันนั่งเล่นๆไปก่อนนะคะครั้งก่อนก็เอพิษคุณตุนนะคะคุณตุนก็ช่วยช่วยบอกตรงจุดนี้ให้ด้วยอืมว่าให้มันเหมือนกับมีความลังเลสงสัยแต่ว่าหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะคะ ม, มันไม่ใช่ใ จ, ใจมันไปหาความสุขใจมันหนีความทุกข์ไปอพอมันหนีความทุกข์ไปอยู่ทัวร์นี้สบายไปเรื่อยๆนะ ตกลงให้ชนกับความทุกข์เลยนะค ะ, ะไม่ต้องหนีความทุกข์นะคะให้ย้อนมาดูใจที่เกิดปฏิกิริยาขึ้นเวลาที่มันกระทบอารมณ์<ะ>ตอนนี้สังเกตไหมมันไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยามันไม่มีผัสสะอะไรที่แรงแรงมาให้เกิดปฏิกิริยานะคะอาคือถ้าใจเรามาอยู่ตรงนี้นะให้ใครมาตายต่อหน้าเราก็ไม่มีปฏิกิริยา หนูว่าหนูนึกว่ามันเป็นเรื่องดีมีคนคนที่เรารักตายแล้วเราไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เสียใจเพราะสองแบบอันหนึ่งเป็นเพราะว่าใจเราไปติดในภพอันใดนหนึ่งนิ่งๆบ้างๆไม่เสียใจ น, นี่เป็นสมถะอีกอันหนึ่งไม่เสียใจเพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างโชคราวเนี่ยเรามุ่งมาสู่ตัวหลังนี่นะอย่ามุ่งเอาแต่ความสุขคือแต่ก่อนปัญหาเราเยอะ นั่นเราภาวนาพอมาถึงตรงนี้เราพอใจสังเกตไหมใจเราเริ่มสลดลงแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ใจมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมมันไม่ได้นิ่งอย่างที่เป็นตะกี้แล้วเ <Okay. S 1> นี่ยความรู้สึกตัวจะชัดขึ้นรู้สึกไหมมันเริ่มชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อยรู้สึกไปอย่างตะกี้มันอยากพูดแใจมันไหลแวบออกบไปเราก็รู้เนี่ยต้องดูการทํางานของเขาอย่าไปเพลินหนีไม่ยอมรับรู้นะไม่งั้นมันเป็นการหนีโลก เราไปสร้างโลกขึ้นโลกหนึ่งนิ่งๆว่างๆสบายๆแล้วเราก็ไปอยู่ในโลกอันนี้ถ้าเราตายลงเราจะไปพรมมาโลกไปเป็นพระพลมนะรจริงๆหนูคิดว่าการส่งการบ้านที่ท่านอาจารย์ให้คนส่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดภาวะในอดีตเพื่อที่มารายงานท่านอาจารย์ใช่ไหมคะคหนูคิดว่าเอ๊ะจะไปส่งการบ้านทําไมเสียเวลาคิดเราจะเอาอะไรมาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังเอาปัจจุบันนี้เลยเอาปัจจุบันนะคะเออดีที่สุดเลยนะเอาปัจจุบันมา นี่บางคนปัจจุบันไม่ดูไม่ออกหรือบางคนภาวนาแล้วมันพลาดไปพลาดทั้งแผงเลยช่วงหนึ่งละอันนี้ต้องเรียนรู้จุดที่พลาดในช่วงนี้ไม่ได้เรียนลงปัจจุบันล้เรียนจุดที่พลาดอยู่หรือบางคนภาวนาเนี่ยจิตกําลังจะเดินต่อได้แล้วแต่ติดอะไรอยู่นิดนึ่งหลวงพ่อเขาบอกให้เพื่อจะเดินต่อไปข้างหน้าเบางคนติดอยู่ข้างหลังบางคนติดไปข้างหน้าไม่ได้บางคนดูปัจจุบันไม่ออก หน้าที่ของครูก็บอกให้ทั้งสามการนั่นแหละแล้วแต่สมควรจะบอกอันไหนนะแต่จริงๆหนูเตรียมการบ้านในอดีตมาข้อหนึ่งจะเรียนท่านอาจารย์ว่ามีตอนนึงนะคะหนูกำลังขับรถไปจากอังดีดูนังแล้วก็เข้าถนนพระรามสี่จะไปตรงตรงสวนลุมมาค่ะในใจพอดีแฟนเขาใช้ให้เอารถไปเข้าศูนย์เปร์โยต้ตองเลี้ยวขวาไปสุรวงแต่ว่าหนูก็คิดว่า คือเดิมก่อนหน้าเนี้ยหนูจะไปสำรวจทุกที่ที่ที่ที่ทแฟนน่ะเขาเคยพาผู้หญิงอไปอนะคะในใจก็คิดว่าวันนี้มีเวลาแล้วฉันจะไปที่ถนนหลังสวนจะไปดูที่ร้านอาหารร้านไหนที่เขาไปสักพักหนึ่งมันก็คงวิตกวิจารว่าเฮ้ยคิดไม่ดีแล้วนะ<ม>เราเราจะไปทําตามใจกิเลสเนี่ยอนุสัยเราจะคงจะสันดาลไม่ดีต่อไป<ม>ทําไงโอ้ oh, เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันคิดอยู่นะคะก็เลยนึกย้อนกลับมาดูข้างในแล้วก็มา มา ล, ลึกรู้ตามตัวนะคะว่าขับรถเสร็จแล้วมันก็ดับไป mm. ดับไปเสร็จหนูก็ mm. ก็เลี้ยวขวาเข้าศูนย์เปอร์โยเอารถไปเช็คตอนกลับก็คือนรถไฟฟ้ามาจะผ่านสยามพรารลักษณ์ลวแหม่เขามาที่เนี่ยกันบ่อยคือเราเราไปสืบรู้จนกระทั่งแบบเห็นสยามพรากษณ์นี่เลหนูจะโกรธทุกทีหนูก็เปลี่ยนใจพอดีทุกครั้งที่ตื่นมาเนี่ยจะเตรียมว่าวันนี้เราจะทําบุญอะไรน ะ, ะ mm hmm. ก็เอาซีดีหลวงปู่เหรียน เป็นชุดใหญ่นะคะตั้งใจว่าจะไปถวายที่วัดปทุมปทุมวนาลามนะคะก็เลยลงที่พภากรก้อนแล้วก็ไม่เข้าภาก้อนนะคะไปวัดดีกว่าอพอเข้าไปถึงได้ถวายซีดีแล้วก็ได้ไปกราบพระไปซื้อของอพวกอาหารที่เพื่อสุขภาพที่มีขายในวัดแล้วก็กลับมาขึ้นรถไฟฟ้าอย่างแบบไม่นึกโกรธแฟนนะคะอพอไปเจอหน้าแฟนที่โรงพยาบาลก็ก็ไม่ฉะเขาว่าทุกทีจะไปฉะเขา ก็เลยจะถามท่านอาจารย์ว่าอย่างเนี้ยมันคือการวิตกวิจารณ์หรือว่าการเจริญสติที่ถูกต้องคะคือใจมันก็จะคิดฟุ้งซ่านไปแล้วเราก็มีสติรู้ทันใช้ได้ก็สลับกันนะระหว่างกุศลกับอกุศลหนูก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองนะคะที่เราไม่ทําตามใจกิเลสดีแล้วที่จะไปถนนหลังสนอนดีแล้วถ้า<ะ>ทําได้อย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวแฟนกลับบ้านแล้ว <c oughs> อะไรพรกลับมาแล้วมีความสุขใช่ไหม กลับมาแล้วก็หงิกตรวจตั้งแต่หัวออถึงเท้าอ๋อแฟนมีความสุขนึกว่าหนูมีความสุขค่ ะ, ะต้องให้เขามีความสุขเองถ้าจะกลับมาไปไหนไม่รอดหรอกภาวนาไว้นะโถยิ่งกว่าสเสนียาแฟดอีกคิดดูนะถ้ากลับมาบ้านก็คอยจ้องจับผิดอนะ่ะใครมันจะอยากกลับใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ถามพวกผู้ชายดู <c oughs> ถ้ากลับมาแล้วแหมมันสดชื่นนะมีความสุข เมียเราดูเด็กลงทุกวันทุกวันภาวนานแล้วจะดูเด็กนะภาวนานแล้วแก่ช้าอีเมียน้อยน่ะแก่ก่อนเราอีก <laughs> เราไม่แก่สัทีดูสดใสรื่นเริงทษจะไปไหนรอดนะกาบมันนมัตการหลวงพ่อเจ้าคะพอดีวันนั้นที่เคยบอกกับหลวงพ่อว่าจะไปปฏิบัติที่ต่างจังหวัดนะนะั่นเจ้าคะพอดีก็ไปอยู่มาประมาณ ร่มๆเดือนแล้วก็เดินจงกรมอยู่ทุกวันแล้วก็มีวันหนึ่งก็เดินอยู่ประมาณสักขอต้นนะคุณหมอเมื่อกี้ทำอะไรให้รู้รู้ว่ากำลังทบ่วนเนี่ยนะเดี๋ยวใจมันจะค่อยตั้งมัน่นเมื่อกี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันแล้วดูออกไหมตรงนี้ใจเริ่มทำงานแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงให้ดูถ้าไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งๆไปถ้านิ่งๆไม่ดีนะเชิญเชิญเจ้าค่ะ วันหนึ่งที่เดินจงกรมอยู่ก็ประมาณสักอสองโมงกว่าก็เดินมาตั้งหลายวันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็นึกถึงคำที่หลวงพ่อเคยเคยกล่าวกับโยมว่าโยมรู้รู้สึกไหมขณะนี้โยมเนี่ยจิตสดใสแล้วก็สว่างไสวกว่าเมื่อก่อนมากแล้วนะแล้วก็ถ้าโยมจะสังเกตโยมจะรู้สึกตัวมากกว่าเมื่อก่อน ก็พอดีกําลังคิดถึงสภาวะตรงนั้นตอนนี้ไม่ทราบไม่เหตุผลใดจิตมันเริ่มรวมแล้วก็เกิดความสว่างสวัยแล้วก็แจ้งโปง่งโล่งเบาขึ้นมาอย่างประหลาดตอนนี้เสร็จแล้วทางโยมก็คิดอยู่อนี่คืออะไรมันไม่มีตัวหนังสือบอกว่าคืออะไรแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาวะที่จิตเป็นกลางแล้วก็รู้สึกว่าเออมันลึกๆขึ้นมาเนี่ย มันไม่ใช่โมหะในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็มันก็ไม่ใช่ปีติก็หันหน้ามองพระเจดีย์พระวัดที่ไปอยู่นี่เป็นมีพระเจดีย์ด้วยก็นึกถึงว่าคุณของพระรันตนตรัยเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าพระธรรมของพระองค์เนี่ยทนต่อการพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็ประมาณใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะก็เดินไปเดินมาแล้วบางครั้งก็ยืนให้สมาธิตั้งมั่น ประมาณสักห้าโมงเย็นก็โยมก็มากราบพระอาจารย์แล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็ไม่ได้เล่าต่อไปแต่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเดินไปเดินข้างพระเจดีย์ก็ประมาณสักสี่ทุ่มก็เข้านอนเข้านอนสภาวะตรงนั้นก็ไม่ได้หนีไปไหนก็จะ อ, อยู่กับโยมประมาณแบบหนักเบามาตรลอดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วโยมก็ไปนั่งสมาธิ ไปนั่งสมาธิเสร็จแล้วสภาวะตรงนั้นก็ยังอยู่นะเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หายไปแล้วหลังจากนั้นมาประมาณใกล้ๆเป็นอาทิตย์โยมก็เดินทางกลับกรุงเทพเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยโยมก็มาทำมานึกถึงสภาวะที่เคยได้เจอแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นธาตุเนี่ยแปรป่วนแล้วก็มีอาการท้องเสีย มีการท้องเสียโยมก็เลยคิดว่าเออเราปฏิบัติผิดละมังจงเป็นลักษณะแบบนี้นะเจ้าคะก็เลยทิ้งสภาทิ้งไม่เอาไ ม, ไม่ปฏิบัติวันนั้นลุ่งขึ้นก็มาเอาใหม่เอาใหม่ก็เอาจะในจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันตื่นนอนจับประตูห้องน้ําจับประตูห้องใส่เสื้อผ้าหรือว่าจับจานใส่อาหารจับช้อนอะไรก็จะดูในชีวิตประจําวันไปแบบไม่ ดูเข้าแบบสบายๆไม่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจดูเจ้าค่ะปฏิบัติจากวันนั้นมาสองวันก็ประมาณ6โมงเย็นก็มีสภาวะเกิดขึ้นแปลกๆเหมือนอย่างที่เคยตัวนี้เสร็จแล้วโยมก็ดูเข้าไปประมาณนั้นแล้วก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งโยมก็ไปนั่งสมาธิต่อพอไปนั่งสมาธิต่อก็มีเพื่อนโทรศัพท์มาก็เสียงโทรศัพท์เนี่ยมันดังก็ทาให้โยมต้องตกใจ แล้วก็ยมก็ดูความตกใจนั้นมันก็เห็นสภาวะของใจรักดับขึ้นมาเดี๋ยวนั้นทันทีเจ้าค่ะแล้วหลังจักนั้นเนี่ยยมก็คุยกับเพื่อนประมาณสักใกล้ๆหนึ่งชั่วโมงก็คุยด้วยสติและสัมผััญญารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคำพูดเนี่ยอยู่ในความเรียบง่ายแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันพูดด้วยสติจริงๆตอนี้เสร็จแล้วพอสีทุ่ไปแล้วยมก็ไปเดินข้างๆรอบๆบ้าน ว่าวันนี้ถ้าสภาวะอย่างนี้ไม่หายไปไหนก็มีความตั้งใจว่าจะไม่นอนตอนนี้เสร็จแล้วก็ประมาณสักหกทุ่มกว่าก็มานั่งสมาธิอีกแล้วก็นอนนอนไปโดยโดยตอนไหนก็ไม่รู้ตัวเจ้าค่ะแล้วพอไม่รู้ว่าขี่ทุ่มขี่ยามผ่านไปพอยมจะฝันนอนตะแคงอยู่พอยมจะฝันจิตเนี่ยมันไม่ขึ้นสู่วิถีเจ้าค่ะมันมีความรู้สึกตัวทันที แล้วยมก็ตื่นขึ้นหลังจากนั้นมาโยมมาดูนาฬิกาก็ประมาณตีสาแล้วก็โยมก็เดินต่อไปก็ไม่ได้นอนไ ม, ไม่ได้นอนอีกแต่จังหวะตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าที่นอนแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าสดชื่นยอมก็เดินต่อไปอย่ทั้งแจ้งประมาณสัก8ปดโมงเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าจะเดินไปว่าเขาแต่ว่ากําลังทํากับข้าวอยู่ มันมีมันมีอะไรไม่ทราบมันตัดโดยอัตโนมัติไปเลยเจ้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําอะไรไปเรื่อยๆอกวาดบ้านอะไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณ10บโมง1ิบเโมงสภาวะอันนี้ก็ยังอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เผลอไปยังไงไม่ทราบแล้วก็หายไปแล้วก็อยู่มาสองสันดก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็จะข้ามวันข้ามคืนขยายเวลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆยัไม่ทราบว่า ตรงนี้ยอมปฏิบัติถูกหรือเปล่าเจ้าคะของโยอมนะทําทให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้คลายความจงใจลงนิดหนึ่งแล้วรู้เล่นๆไปให้จิตมันเป็นของมันไปเองลดลดความจงใจลงนิดหนึ่งรู้เล่นๆ เ, เจ้าคะ่นะรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเจ้าคะ่ะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างนี้ยมันอยู่นอกเหนือการบังคับทั้งหมดเลยเจ้าคะ่นะดูเอาตรงนี้นะเจ้าคะ่ะดีละ โยมมากราบหลวงพ่อหลายครั้งโยมไม่เคยบอกชื่อหลวงพอ่อวโยมชื่ออุไรเจ้าค่ะกราบข็เพระคุณมากเจ้าค่ะปล่อยนะปล่อยให้สบายปล่อยให้โล่งเลยปล่อยให้หมดคุณหมอเหลือไว้ละคุณหมอดูออกไหมใจใจไม่ได้ว่างๆไม่ได้มีความสุขอย่างตะกี้ละนึกออกไหงว่าตะกี้มันนิ่งไปเราไปสร้างภพขึ้นอันหนึ่งนะแล้วเราส่งใจเข้าไปอยู่ในภพนะั้นว่างๆอยู่ข้างหน้าเย่างนี้ ว่างอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนถ้าถ้าอยู่ตรงนี้เรื่อยๆมันจะติดความสุขแล้วมันไม่ยอมเดินปัญญาตรงนี้เอาไว้เวลาที่เราต้องการพักผ่อนมันคือที่พักผ่อนทำได้แต่ทำเมื่อเราต้องการพักผ่อนหรือว่าจิตใจเราวุ่นวายเราก็ส่งจิตไปไว้ตรงนี้ว่างๆจำได้ไหมตรงนี้เป็นที่พักนะส่วนที่ทำงานเรยอยู่ตรงนี้มีแต่ทุกต้องรู้ทุกนะถึงจะพ้พนทุก ถ้าเอาแต่ความสุขไม่พ้นทุกข์หรอกว่าไงไม่เจอนานภาวานาดีภาวานาดีนะใช้ได้เลยผ่านเจ้าค่ะผ่านได้ไม่ว่าไม่ผ่านหรอคนนี้คือเป็นผู้ผู้มาใหมะะ่ะคือมีความสับสนวิธีการปฏิบะะัตินะคะไม่ทราบว่าจะภาวนาอย่างไรบางคนก็บอกให้พุพทธโธบางคนก็บอกให้ยุบเนอพองเนอแต่นี้ก็เลยสับสนว่า วิธีการภาวนาที่ถูกต้องคือการภาวนาที่ถูกต้องนะมีสองอันสมถะกับวิปัสนาสมถะเนี่ยให้จิตไปอยู่กับอะไรก็ได้สักอันเดียวอย่างต่อเนื่องอยู่อย่างสบายๆมีความสุขอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับขยับมืออย่างลงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้ไม่เลือกอารมณ์อีกกรรมฐานหนึ่งชื่อว่าวิปัสนากรรมฐานต้องรู้กายต้องรู้ใจ ต้อรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเพราะงั้นถ้าหากเราจะพุทโธเราก็พุทโธไปแล้วก็คอยรู้พุทโธพุทโธพุทโธใจแอบไปคิดแวบรู้ว่าใจหนีไปคิดไม่ได้พุทโธเอาสงบนะพุทโธเพื่อจะคอยรู้ทันใจตัวเองพุทโธไปแล้วใจสงบก็รู้ใจมีปีติก็รู้ใจมีความสุขก็รู้พุทโธแล้วใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆเราก็หัดพุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธเป็นแค่แบ็คกราวด์เท่านั้นพุทโธไม่ได้เอาเป็นเอาตาย พุทโธเล่นๆพุทโธเป็นแบ็คกราวเพื่อจะรู้ทันจิตคําว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อไเราพุทโธพุทโธเราก็สังเกตจิตของเราเป็นระยะระยะไปพุทโธแล้วใจลอยรู้ว่าใจลอยพุทโธแล้วสงบรู้ว่าสงบพุทโธแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกไปอย่างนี้นะครับ ดูท้องพองยุบก็หลักเดียวกันดูท้องพองยุบไปจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้นะจิตเป็นยังไงก็คอยรู้ไปใช้ได้เหมือนกันหมดแหละให้เราคอยรู้ไปเราจะเห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศนละก็ชั่วคราวโรกหลดลงก็ชั่วคราว เราจะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นแต่ของชัโชคราวในที่สุดปัญญามันแจ้งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นถ้าปัญญาแจ้งตัวนี้จะได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเพราะนไม่ใช่พุโทโธเพื่อจะสงบนะไม่ใช่ดูท้องผองยุบเพื่อจะไปเพ่งให้ท้องอยู่ที่ท้องให้จิตนิ่งๆอย่างั้นเป็นแค่สมถะกลาบ อโอกาสขอโอกาสกลับเรียนถามหลวงพ่อสองข้อจกัข้อที่หนึ่งเวลาปฏิบัตินี่จาเป็นต้องบริกรรมด้วยหรือเปล่านะเจ้าแล้วแต่ความถนัดนะแล้วแต่ความถนัดคือแล้วแต่ว่าเราจะภาวนาอะไรอย่างสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเห็นสภาวะของความโกรธอันนี้เราทำวิปัสสนาเสร็จแล้วแต่ถ้ามาโกรธหนอโกรธหนอเนี่ยมาบริกรรมซ้ำ อย่างนี้ไม่ใช่มันตกจากวิปัสนาแล้วจุ๊บเชินเฉเข้ามาท่านเจ้าค่ะเชิญว่าไงโยมใช้พองหนอยุบหนอยใช่นะเจ้าค่ะคนเขาบอกต้องบริกรรมคือพองหนอต้องพองหนอยุบหนอทีนี้มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแต่ถ้าเราจับเฉยเฉยถ้าโยมจับเฉยเฉยนะถูกมากกว่าบริกรรมเข้าใกล้ความถูกต้องมากกว่าบริกรรมอีก ถ้าจะถูกยิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่แค่จับเฉยๆเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นแค่คนดูเหมือนดูคนอื่นพองเหมือนดูคนอื่นยุบนี่ถูกเป๊ะเลยการจะรู้รูปเนี่ยต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้แยกออกมาอยู่ต่างหากเพราะฉะนั้นก่อนจะไปรู้รูปเขาถึงสอนเรื่องนามรูปปริษเฉทยาแยกรูปกับนามก่อนไม่ใช่แยกรูปกับรูปหลังๆนี่เริ่มสอนเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นรูปพองอันหนึง่งรูปยุบอันนึง อันนี้แยกรูปกับรูปนะที่สําคัญต้องแยกรูปกับนามใจเราเป็นคนดูเห็นรูปมันพองเห็นรูปมันยุบแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่ารูปที่พองรูปที่ยุบนี้เป็นสักแต่ว่ารูปไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าแต้องมีใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะอย่างนั้นใช้ได้เลยอย่างการดูท้องของยุบเนี่ยจิตจะพลิกแปลงได้4แบบแบบที่1ดูท้องพองยุบแล้วก็เผลอไปเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ แย่ที่สุดเลยแบบที่สองดูท้องพองยุบแล้วจิตแนบไปอยู่ที่ท้องจะบริกรรมหรือจะไม่บริกรรมก็ตามแต่จิตมันแนบไปอยู่ที่ท้องอันนี้ได้สมถะกรรมฐานจิตจะสงบอยู่ที่ท้องไม่ไปที่อื่นการที่ฝึกจนจิตไม่ยอมหนีไปเที่ยวเนี่ยได้สมถะอันที่สมดูท้องพองยุบไปใจเป็นแค่คนดูเห็นตัวที่พองตัวที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราเศักดิ์แต่ว่ารูปมันเคลื่อนไหวนี่ทำวิปัสสนาด้วยการรู้กาย อย่างที่4ี่เราดูท้องฟองยุบจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้อันนี้เป็นการดูจิตโดยเอาท้องฟองยุบมาเป็นแบ็คกราวเป็นพื้นฐานไว้เท่านั้นเป็นวิหารธรรมดฉงนั้นเราต้องดูจิตมันจะพลิกไปพลิกมาแต่ส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ที่1กับ2หรือถ้าไม่เผลอไปเลยก็ไปบริกรรมจนจิตไม่ไปไหนเลยจิตจออ ย, อยู่ที่ท้องอันเดียวได้แต่สมถะ เพืนผากำหนดไปเรื่อยๆบางคนพ ง, งะบุบบุบวาบวาอันนั้นอาการของสมถะหรือขนลุกขนชันบางคนก็ไปบอกว่าเกิดยานไม่ใช่ยานนั่นมันอาการของปีติอาการของสมถะเลินจงกรมเหมือนกันนะถ้าไปเพ่งใส่เท้านะเห็นยกเท้าย่างเท้ารู้สึกหมดเลยจิตไปแนบอยู่ที่เท้านี่สมถะเดี๋ยวก็ขนลุกขนชันตัวลอยตัวเบาตั ว, ตวโครงตัวใหญ่อะไรขึ้นมานี่เรื่องของสมถะ ถ้าเดินจงกรมนะั้นเราเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูอย่างนี้ทำวิปัสสนาเห็นแล้รูปไม่ใช่ตัวเรารูปที่กําลังเดินอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเดินอยู่อย่างนี้ใช้ได้หรือว่าเดินยกเท้าย่ า, ยางเท้าไปเนี่ยไม่ต้องบริกรรมนะแค่รู้สึกถึงความไหวของเขาใจเป็นคนดูอย่าบริกรรมถ้าบริกรรมมันจะพลิกไปเป็นสมถะเพราะในขณะที่บริกรรมเนี่ยเป็นจิตอีกชนิดหนึ่ง ในขณะที่รู้เป็นจิตอีกชนิดหนึ่งคนละดวงกันจิตที่ใช้ทํำวิปัสสนาเนี่ยไม่คิดนะแต่พ้นจากความคิดไปแล้ว <Yeah. S 1> หรือเราเดินแล้วใจเราลอยรู้ว่าใจลอยเดินแล้วใจเพ่งเท้ารู้ว่าเพ่งเท้าอันนี้เดินแล้วดูจิตนะใช้ได้เหมือนกันหมดกรรมฐานไม่ว่าชนิดใดนะเคยทํากรรมฐานชนิดใดใช้หลักอันเดียวกันนี้ได้ทุกอันเลยนะอย่างสายลงพระเทียนขยับมือขยับแล้วใจลอยนี่แบบที่หนึ่งใช้ไม่ได้เรื่องเลย อย่างที่สองขยับแล้วจิตไหลไปอยู่ที่มือจิตไหลไปเพ่งใส่มือกัจิตไหลไปเพ่งท้องจิตไหลไปเพ่งเท้าจิตไหลไปเพ่งลมหายใจก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นสมถะขยับมือแล้วเห็นรูปเหมันเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนรู้ตัวที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรานขยับอย่างนี้ที่หลวงพ่อเตียนต้องการอยากเห็นเลยรูปนี้มันไม่ใช่ตัวเรานี่ทำวิปัสสนาด้วยการรู้รูปอย่าหนึ่งขยับไปแล้วใจแอบไปคิดแวบ ร, รู้สึกแวบ ร, รู้สึกไปเรื่อย นี่ทำนิปัสสนานะรู้นามรู้จิต cker. โดยอาศัยการเคลื่อนไหวนี่เป็นพื้นฐานเป็นวิหารธรรมนั่นหลวงพ่อเทียนต้องการสองอันหลังนี่บอกว่ารูปเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื the, ่อนไหวก็รู้สึกนี่ท่านต้องการตรงนี้รุ่นหลังๆไปเพ่งใส่มือเราก็เหมือนกันนะ <pe ars> ยังโยมดูท้องของยุบเนี่ยรูปเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกใช้หลักนี้ไว้เราไม่พลาดหรอก กรรมฐานเนี่ยไม่สำคัญเลยว่าจะใช้อารมณ์อะไรอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะถ้าทำถูกก็ถูกอย่างเดียวกันถ้าผิดก็ผิดเหมือนกันหมดเลยแล้วส่วนมากผิดเพราะชอบไปเพ่งเนะจะนิ่งๆไปแล้วก็ขนลุกขนชันตัวลอยตัวเบาตัวโครงน้ำหูน้ำตาไหลรู้สึกวุบวุบๆาบ้าบนะเราไปใส่ชื่อให้มันว่าเป็นมิปัสนายานยานแปลว่าปัญญายานไม่ใช่อาการทางร่างกายนะเชิญต่อ เวลายโยมเคยแบบพองหนอยยุบหนอลุกสึกมันยืดมากๆเลยนะเจ้าค่ะแล้วยมก็ก็คือคือโยมก็พิจารณารูป ก, กายไม่เป็นโยมก็รู้หนอนรู้หนอว่ามันพองเยอะอะไรอย่างเนี้ยอันนี้จะแล้วโ<ะ>ยมลองเปลี่ยนนิดหนึ่งเห็นแค่รูปมันพองรูปมันยุบนะเราเป็นแค่คนดูไม่วิาพากษ์วิจารดูด้วยความรู้สึกว่าไอตัวที่พองตัวที่ยุบนี้มันไม่ใช่เราหรอก เป็นรูปที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนี่ดูลงไปเพื่อจะละความเห็นผิดว่ากายเป็นเราจิตเป็นเราไม่ได้ดูเพื่ออะไรเลยดูเพื่อให้เห็นความจริงไอ้ตัวที่พองยุบนี่ไม่ไม่ใช่เราหรอกรูปมอนกระเพิ่มรูปมันไหวจิตนี้ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันดูลงไปเพื่อให้เห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราถ้าตั้งเป้าให้ถูกการเดินจะง่ายนี่เราอาศัยศรัทธา ทำไปเถอะทำไปเถอะแล้ววันนึงจะดีเดี๋ยวเราทำสมเหตุสมผลไหมเรากำหนดแล้วอะไรเกิดขึ้นความสงบจะเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นสมถะงั้นเราต้องรู้กายที่พองกายที่ยุบดูเหมือนเห็นคนอื่นพองยุบดูมันเห็นวัตถุธาตุเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราพองตัวเรายุบจิตใจนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็หนีไปเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเคลื่อนไหมเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเลยมันทำงานได้เอง ดูไปจนถอนความเห็นผิดในกายในใจว่าเป็นตัวเราได้นะที่โยมฝึกใช้ได้นะที่โยมฝึกมาใช้ได้ปรับนิดเดียวเท่านั้นละใจของโยมนนะมันใกล้ต่อความตื่นเต็มทีแล้วเป็นไงตื่นแล้วมีความสุขไหมเนี่ยดูหน้านะเห็นไหมหน้าตาสดใส <c oughs> ของโยมใช้ได้นะ ยอแค่แค่รู้สึกท่านัเห็นร่างกายพองยุบไปใจเราเป็นแค่คนดูมันเหมือนเราดูคนอื่นพองยุบอ่ะดูอย่างนั้นแหละดูด้วยใจที่ถอดถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นเราซะดูมันเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยเเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นมันโกรธขึ้นมาเห็นเหมือนคนอื่นโกรธใจเราเป็นแค่คนดูดูอย่างนี้เรื่อยๆในสุดก็จะละความเห็นผิดว่าขันห้านี้เป็นตัวเราได้ ไม่ยากหรอกเอาคุณ พ, พัชรินีอม่พัชรินหลวงพ่อเมื่อก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองะคะ่ะแบบอันนี้หมายถึงปัจจุบันตอนนี้นะคะพอไมอยู่ไกลอะคะ่ะก็เฉยเฉยพอมันใกล้เข้ามาออรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกตื่เต้นหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีผู้รู้อยู่ อันนึงค่ะ ท, ที่มันไปรู้เข้าผู้รู้ผู้รู้ตัวเนี้ยประคองแรงไปประคองแรงประคอง <ไป S 2> อผู้รู้แรงไปปล่อยออก ไ, ไปอีกให้มันสบายกว่านี้เบากว่านี้ประคองมากไปประคองผู้รู้มากไปกลายเป็นการเพ่งไปเพ่งจิตให้นิ่งเราเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวยกเป็นตัวผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวเลยเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงยงเป็นผู้รู้ไม่เที่ยงผู้รู้นี่เที่ยงเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์นะผู้รู้ไม่ทุกข์ มันเป็นสงวนรักษาตัวผู้รู้ขึ้นมาเงือ น, นลดความจงใจที่จะรักษาตัวผู้รู้ลงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต ร, ตรงนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตรงเนี้ยคลายการรักษาผู้รู้ลงไปต้องอยู่อย่างนี้นะออย่างตะกี้ใช้ไม่ได้ะตะกีย้เพ่งผู้รู้เดี๋ยเริ่มกลับไปเพ่งผู้รู้ละดูออกไหมเออขาเราใช้ได้โยมหนีไม่คิดละ <mister tumors> ห้ามไม่ได้นะใจจะหนีไปคิดห้ามไม่ได้ไม่ห้ามแค่ว่ามันหนีไปแล้วเรารู้ว่ามันหนีแต่ไม่ต้องไปคิดหนอนะคิดหนอนั <sm> <confirm> <ront> ่นแหละคิดหละคิดครั้งที่สองถ้าถึงบอกว่าคิดหนอหนอแปลว่าสองเพ่งมาเพิ่งได้กราบท่านอาจารย์ที่นี่ที่ศิริชานี่ครั้งแรกขอฟังไปก่อนนะคะไม่เก็บค้าฟังนะฟังได้อะ อยากถามว่าการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิอะค่ะใช้หลักการเดียวกั น, ห, กนหรือเปล่าคะทุกอิริยาบถในหลักเดียวกันหมดมแล้วถ้ามันมีขั้นต่อไปไหมคะหลังจากที่บอกว่ากายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกมันจะมีต่อไปจากงานอีกไหมคะต่อจากนั้นมันจะต่อเองเน้นจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจขั้นะแรกมีสติ มีสติก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจมีสติถ้าขาดสติก็ลืมกายลืมใจถ้ามีสติก็เหมือนมีกายมีใจพอมีสติแล้วต่อไปก็เดินปัญญากายเป็นยังไรร ง, งไ ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ite, จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยพอรู้มาถึงตรงจุดนี้แล้วมันถึงจะเป็นสัมมาสมาธิเหรอคะอะไรนะพอรู้มาถึงตรงจุดนี้แล้วมันก็จะเป็นสัมมาสมาธิหรือเปล่าคะ่ะใจมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาคะ มันจะเกิดพร้อมกันหมดเลยสติสัมมาสมาธิปัญญาจะเกิดด้วยกันไม่ไม่แยกเป็นตัวตัวละบังคับมากไปลดความจงใจลงนะให้สบายกว่า น, นี้บังคับแรงไปเอาคุณึ่งมีโมหะ <c oughs> พูดก่อนอ <c oughs> ย่าว่าเฉลวยเร็วไป <c oughs> วันนี้มีโมหคะค่ะแล้วก็มีแช่แช่เอาไว้คะ่ะอ่าถูกแล้วใจก็ไม่เป็นกลางด้วย <c oughs> ใช่ค่ะวันนี้ <c oughs> วันนี้ไม่ดีเท่าเมื่อวานอเสียใจไหม เฉยๆไม่ไม่ค่อยเฉยๆก็ใช้ได้แต่ไม่เฉยจริงหรอกก็เมื่อสักครู่มีโมหาแต่ตอนนี้มันโปร่งๆมาแล้วครับของคุณภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกไหมเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกครับว่าเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็จะเฉยๆมากขึ้นอยินดียินร้ายมันจะผ่านมาผ่านไปได้เร่องเร็วใจเราเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะฝึกไปช่จนกระทั้งเราเป็นกลางกับทุกสิ่งด้วยปัญญา ไม่ใช่เป็นกลางกับทุกสิ่งด้วยสมาธิเป็นกลางกับทุกสิ่งด้วยปัญญาคือเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวใจของคุณมันเดินขึ้นมาดีแล้วละใช้ได้บเบอร์สองยังบังคับอยู่เอาเลยไม่สรงกันบ้านเลยตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นก็คือที่ผ่านมาก็บางครั้งก็รู้สึกว่ามีสติ ติดติดกันบางทีก็หลงไปเลยอะค่ะ้ามันไม่ได้ห้ามไม่ได้นะเพราเราต้องมีเครื่องอยู่เป็นเครื่องช่วยไม่ให้หลงนานเครื่องอยู่ก็แล้วแต่ความถนัดบางคนดูท้องพองยุบบางคนรู้ลมหายใจบางคนพุโทโธนะมีเครื่องอยู่สักอันหนึ่งแต่เครื่องอยู่ไม่ใช่คุกขังจิตห้ามจิตหนีไปจากท้องห้ามจิตหนีไปจากลมนี่ไม่ใชนะ่เช่นเราต้องพุโทโธเล่นๆ่นไหม พุทโธพุทโธนะทุกวันต้องซ้อมซ้อมพุทโธแบ่งเวลาไว้สักสินาทีอะไรเงี้ยซ้อมพุทโธพุทโธพุทโธพุโธใจแอบไปคิดแวบรู้สึกตังว่าพุทโธอีกหนีไปอีกก็รู้สึกอีกไม่ห้ามมันนะไม่ไปตำหนีตีเตียนมันด้วยรู้สึกเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราซ้อมอย่างนี้บ่อยๆต่อไฟพอเราอยู่ในชีวิตประจําวันเวลามันหลงมันเผลอไปเนี่ยสติจะเกิดเร็วเพราะมันเคยรู้ทันความหลงความเผลอเน้ต้องซ้อมไหม หนูจะถามหลวงพ่อว่าคือเวลาที่หนูรู้สึกคือหนูไม่รู้ว่าสติตัวจริงมันเกิดหรือเปล่าเพราะว่าคือหนูส่วนใหญ่หนูจะรู้สึกเฉยๆอะค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันสุขเหมือนตอนนี้ไหมส่วนใหญ่ที่ว่าอตอนส่วนใหญ่ที่ว่าเวลาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ตอนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยรู้ตัวชัดเท่าไหร่ทางั้นใช้ได้ดี ถ้าบอกว่าปกติเหมือนตอนนี้ใช้ไม่ได้น ะ, ะตอนนี้แข็งไป ห, หนูรบกวนหลวงพ่อพาดูสภาวะสักหนึ่งนาทีได้ไหมค ะ, ะได้ <c oughs> นาทีหนึ่งเฉลี่หอนาทีหนึ่งเครียดนะเยอะไปใช่ไหมค ะ, เออเะมันจะเป็นรอยเดี๋ยมันจะเครียดเพราะมันเร็วมากเลยอย่างตอนนี้หนีไปรอฟังหลวงพ่อแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ใจมารอฟังหลวงพ่อพูดแล้วเดี๋ยใจไปคิดแล้วทราบไหม จากรอฟังเปลี่ยนเป็นคิดไม่เหมือนกันสภาวะเนี่ยตรงเนี้ยหนีไปไปค้นคว้าไปหามันอีกลคิดมันอีกล้ดูออกไหมให้รู้ไปเรื่อยๆลดความจงใจลงก่อนทำตัวให้สบายส่งไม่ไปไม้นี้ทำให้ตัวแข็งเนี่ยใจเผลอไปแล้วรู้สึกไหมแต่ว่าเบากว่าเมื่อกี้ดูออกไหมใจมันเบาเนี่ยถ้าดูละเอียดมากนะั้นดูยากเดี๋ยวเครียดต้องดูเล่น เดี๋ยวให้หลวงพ่อพาดูทีลนาทีนะเดี๋ยวเครียดเดินดนิดนิดนดนะอย่าตรงนี้กระตะกี้ตรงนี้กับแป๊บตะเกียะไม่เหมือนกันแล้รู้สึกหมเมื่อกี้เคลื่อนไหวตรงนี้ชักนิ่งเนี่ยให้ดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเยยนี่ยหนีไปคิดละทราบไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะให้รู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามไม่แทรกแสงเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม เออตอนนี้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วถ้าหนูหายใจแบบนี้แล้วหนูรู้กายแบบนี้ถูกไหมคะอ้าวหายใจไประวางไมค์ก่อนไมค์นี้ทําให้เพี้ยนหายใจไปลืมหลวงพ่อซะเนี่ยเ น, ยน้อมใจให้ให้ซึมแล้วไม่น้อมน้ําใจให้ซึมนี่แหละที่จะเข้าไปหามิจฉาสมาธิแลแล้วคนปฏิบัติเกือบทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้น เ น, น, นีใจขนาดนี้ก็อย่าไปน้อมมันให้ผิดธรรมดาลืมตาขึ้นมาใจซึมลงไปแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ไม่เอาเราหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปอย่างสบายๆหายใจด้วยความรู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่หายใจด้วยความซึมๆน้อมลงไปนิ่งๆซึมๆนะมัวๆไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไม่ได้หายใจด้วยความรู้สึกตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเอาเลยงงไปแล้ว อา้อาวมันเหมือนมันแค่มันกระเด็นหลุดออกจากตัวนี่คือไปแล้วใช่ไหมใช่<ม>แต่ว่าอยู่กับตัวเองตลอดเวลาก็คือเพ่ง<ม>กระเด็นก็คือไป<ม> ไ, ไอตรงพอดีเนี่ยไม่มีหรอก ม, มีแวบเดียวตรงที่รู้ว่ากระเด็นเนี<ม>่ยแวบแตะกี้เนี่ยใช่เลย<ม>แวบตรงที่มันสว่างขึ้นมามันโลง่งมันมีความสุขปุดขึ้นมาเลยนะแต่ตรงนี้ประคองไวล้ละ<ม>ดูออกหรือยัง ้ไม่ง่ายนะคะเนี่ยตรงนี้มีความสุขกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเป็นมนุษย์ปกตินี่แหละดีที่สุดส่วนมนุษย์อย่างนี้ไม่ดีหรอกนั่นหลวงพ่อทอะไรหมดนะให้รวมในวินาทีสองวินาทีก็รวมแล้วแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเหลือแล้วเห็นไหม มันหนีไปจัดตัวเองล้ลืมกายลืมใจก็เรียกขาดสติรู้กายรู้ใจแบบไปจ้องไว้ก็เรียกว่าเพ่งจงใจไปรู้อ่ะเรียกเพ่งพอหลุดไปลืมกายลืมใจก็เรียกว่าเผลอเผลอก็เพ่งมีตลอดเวลาตรงรู้เนี่ยไม่เผลอไม่เพ่งมีทีละแว บ, บเดียวเนี่ยเหนีไปคิดอีกแล้วนมาสการครับพระอาจารย์พรอาจารย์ครับรา วันนี้นี่รู้สึกมันพยายามทำตลอดเลยใช่ไหมครับใช่วันนี้สู้กล อ, อนไม่ได้ครับผมแล้วก็อยากจะส่งกันบ้านนิดนึงนะครับคือวันที่มหาพระาจารวันพรหัสที่แล้วแล้วก็วันนั้นกลับไปก็มันฟุ้งมากครับแล้วพอวันคืนวันศุกร์ก็ทำงานก็ได้ข่าวมาลูกค้าอาจจะ ม, มีหนี้หนีหนี้เสียประมาณล้านกว่าบาทก็เลยรู้สึกกุ้งใจฮะ mm hmm. ก็คิด พอลงไปนอนก็ตื่น oh, ขึ้นมาคิดเรื่องนี้แล้วก็ตื่นึมาตอนประมาณตีสองคึนะฮะคืนวันคืนวันศุกร์ก็คิดคิดไปแล้วโอ้นอนไม่ได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติดีกว่าพอคิดอย่างนั้นปั๊บก็เลยก็เลยขึ้นมานั่งปฏิบัติพอปฏิบัติไปครับอาจารย์ก็นั่งนั่งสมาธิก่อนนั่งแล้วก็ดูลมหายใจไปดูไปก็หลงนานฮะหลงคิดไปนานแล้วพอรู้ตัวก็กลับมาทีหนึ่งก็หลงคิดไปอีกนานจนกระทั่งนั่งไปพักหนึ่งก็บอกว่า ครับน่าจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงบอกว่าอมันเริ่มเกิดเวทนาฮะทิก้นก็เลยรู้สึกว่าเออไหนลองไปดูเวทนาดูซิว่ามันเป็นยังไงก็ย้ายจิตไปดูเวทนาฮะดูไปแล้วก็นึกถึงคําพระอาจารย์ว่าเวทนามันไม่ใช่เราฮะมันเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ไปนั่งดูปั๊บก็มีความรู้สึกงั้นขึ้นมาเออเฮ้ยมันมันเหมือนกับมันไม่ใช่เราจริงฮะมันเป็นสิ่งที่จิตถูกถูกจิตรู้เท่านั้น แล้วก็รู้ไปตามตัวก็ไล่มองตามร่างกายไปเรื่อยๆก็รู้สึกความรู้สึกมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้น<ม>เรื่อยๆว่าเอ๊ะไ อ, อ้นี่มันเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เขา<ม>้าเท่านั้นเองนะฮะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปทั่วตัวไปหมดเลยความคิดผุดขึ้นมา ม, มันก็ตามเป็นปัจจุบันสันตติอย่างที่พระอาจารย์พูดนะครับมันก็ตัดขาด<ม>ใช่ไหมฮะพอดูไปเรื่อยๆมันก็บอกว่าเอ๊ะไอ้นี่เราแพ่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ สังเกตตัวเองก็บอเอ๊ะมันไม่ได้เพ่งนะมันรู้อยู่นะเนี่ยคราวนี้มันรู้มันตะลุมบอลรู้ไม่ติดไม่หยุดเลยฮะพระอาจารย์มันก็รู้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวไปรู้กายบ้างรู้จิตขึ้นมาบ้างใช่ไหมฮะแล้วจิตมันก็ไหวไหวนี่พระอาจารย์พูดบางครั้งมันก็ยังไม่ทันปรุงมันก็เห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็ระยิบระยับแต่ไม่หมดฮะแล้วเดี๋ยวอยู่สัญญาก็ผดขึ้นมาแล้วจิตก็ปรงต่อมันก็รู้ต่อมันก็ตามต่อไปเรื่อยๆก็นึกถึงว่าเอ๊ะนี่เป็น เป็นเอโกที่พาว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกหรือเปล่าก็มานั่งคิดดูเอ๊ะแต่เราไม่ได้เข้าฌานเพราะเราไม่ได้อยู่ในฌานเนี่ยแต่ทําไมเรารู้สึกตัวต่อเนื่องมากเลยก็เลยลองล้มลงไปนอนก็ลืมตาขึ้นมาฮะพอลืมตาในใจตอนนั้นคิดว่าอยากจะกร ะ, กระทบโลกดูหน่อยว่าเป็นยังไงก็เลยลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งต่างๆก็คือมันมันมีความมันมีตัวเราเล็กๆนะฮะแต่มันรู้จักมันจางมากฮะอืแล้วก็ คิดคิดตอนนั้นทุกแม่คือตอนนั้นมันความเงียบแม่อริยมรักน่าจะเกิดได้นะฮะตอนนั้นคิดถ้าเกิดได้ไอตัวเล็กเนี่ยตายเลยแต่พอมันคิดอย่างนี้พอบอาจารย์มันก็จิตมันก็ตัดเลยนะฮะว่ารู้นะครับแล้วมันก็ตัดตัดมันคือมันมันตามรู้แบบแบบแบบมันมีความรู้มันเป็นจุดที่ต่อเนื่องกันตลอดเลยครับก็เลยหลังจากนั้นก็ก็ก็เลยบอกว่าลุกขึ้นมาเดินดูซิว่ามันเป็นยังไงก็เลยเดินขึ้นมาเดินพอเดินปอบก็รู้ตัวทั่วชัด พร้อมมากไปหมดทั้งตัวเลยฮะว่าเดี๋ยวเดินรู้มือเดี๋ยวเดินรู้ขาเดี๋ยวก็มารู้ที่ใจเดินไปมีความมีโทสะเกิดขึ้นชําลืองไปเห็นอะไรบางอย่างไม่ชอบใจมันก็เกิดเห็นมันก็เกิดความรู้สึก ข, ขึ้นมาหเห็นทันทีมันชัดมากเลยฮะไปอย่างนั้นอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วลงไปนอนดีกว่าใช่ไหมฮะก็ลงไปนอนลูกก็หันมาเกอดผมความรู้สึกตอนนั้นมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนจะเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือเป็นลูก เราไปทราบางก่อนจะนอน ก, นก็มันก็มีความรู้สึกความรักมันก็ผุดขึ้นมา ม, มันก็เห็นความรักแล้วมันก็ตามดูได้หมดเลย<ม>พอหลังจากวันนั้นเนี่ยฮะตื่นมาเช้าวันนั้นตอนนั้นลงไปเติมมาตีสองครึ่งลงไปนอนอีกครั้งประมาณตี4 45, ี่สี่สิบห้าครับก็เลยตื่นมาคืนนั้นพอเสปปร็จปั๊บกะว่าตั้งใจจะขับรถมหาหาอาจารย์ละ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบังเอิญมีประชุมตอนเช้าก็เลยมาไม่ได้ครับ ก็ ก, ก็วันนั้นทั้งวันพอตื่นมาตอนเช้า ica, มันก็รู้สึกว่าเอจิตมันไม่มีโมหะฮะปกติทุกเช้าตื่นมามันจะมีโมหะ <น Hello. S 1> ก็รู้สึกดี mm hmm. ขับรถออกไปมันก็เริ่มเห็นว่าเออเราเริ่มเราเริ่ ม, มจะเพ่งเข้าไปดูอีกละเริ่มจะเข้าไปประคองอีกนะ mm hmm. อย่างเงี้ยฮะแต่พอทํางานไปทั้งวันป๊อปคันมนก็หลงเลยพ่ะย่ะจ่ mm hmm. แล้วพอคืนนั้นก็เริ่มหลงอีกวันรุ่งขึ้นถัดมาเนี่ยไปร้องคาราโอเกะคราวนี้หลงหนักเลยครับแล้วก็กลับมานั่งสมาธินี่ เรานั่งไปคือมันเหมือนกับอย่างที่พระอาจารย์พูดมันจะจําลองเหตุการณ์ที่เราประสบความสําเร็จในการเข้าไปดูอย่างนั้นทําไม่ได้หรอกแล้วมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ขาวนี้มันก็หลงมันซึมทื่อมันปวดหัวมันรู้สึกมันแข็งทื่อไปหมก็รู้เออผิดแน่นอนละก็เลยลุกออกมาไม่เอาขึ้นมาเดินเดินมันก็ไม่หลุดครับพระอาจารย์คือเรารู้ว่าเราเราเราเราประคองะฮะรู้ว่าเราเพ่งอยู่เนี่ยฮะรู้แต่มันก็ไม่หลุดพระอาจารย์มันสอนธรรมะเราไงบังคับไม่ได้ ผมก็เลยบอกว่าแมว เ, เลิกเลิกเลิกเลิกปฏิบัติก็เลยเดินลงมาจากห้องพระแล้วก็เดินมาที่ห้องล้างมือฮะล้างล้างมือวันนั้นฟ้ามันก็ผ่าเปรี้ยงมาดังเริ่มเลยจิตมันไม่มันไม่รู้สึกตกใจอะไรเลยฮะอตอนนั้นสติมันก็คงเกิด น, นะันก็บอกอ๋อนี่มันเพ่งอย่างสุดขีดเลย ขนาดฟ้าผ่ายังไม่ตกกระจยเลยก็เลยมันก็เลยหลุดออกมาฮะก็เลยเออก็เลยรู้สึกสบายบอกก็เลยผมก็เลยต้องไม่ไม่ยอมไปเลยไม่ปฏิบัตินะก็เลยใช้วิธีเดินเอาเดินไปเดินมาแทนเดินเล่นๆไปเล่นไหมไปเล่นๆแล้วหลังจากวันนั้นมาพระอาจารย์ผมก็เนี่ยฮะผมเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยครับผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครไม่ไม่เป็นไรให้รู้ไปอย่างเนี้ยแต่ถ้ามันถียิบเกินไปนะก็พักผ่อนทําความสงบเข้ามาทําใจสบายพักผ่อนบ้าง พักผ่อนผมก็จะทันทีเลยครับพระอาจารย์เดี๋ยวมันไปไปแล้วมันอย่างที่บอกว่ามันเป็นตะกรอนมาสะสมพอสะสมปุ๊บเดี๋ยวมันจะซึมมันจะทื่อมันจะเป็นเงันงั้นต้องพักด้วยกันฟังซีดีฟังซีดีหลวงพ่อพักผ่อนผมฟังซีดีพระอาจารย์น้งชาลงเอ็นในรถครับผมช้าเย็นเลยเปล่าผมก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าพอถึงบ้านก็เลยจะปฏิบัติก็เลยกำลังคิดว่าเดี๋ยวกจริงๆครตอนนั้นผมคิดว่าผมจะหยิบซีดีมาฟังดีกว่า ถ้างั้นเอาฟังซีดีดีกว่านะฮะหยุดหยุดนั่งหยุดเดินดีกว่าใช่ไหมครับก็หาเปลี่ยนอารมณ์ซะก็ได้นะหาอารมณ์อะไรที่มันไม่ยั่วยกิเลสรุนแรงหาการ์ตูนมันนั่งอ่านสักเรื่องที่ไม่ใช่การ์ตูนโปนะแล้วก็คําขันขายหัวล่ออะไรเงี้ยนะเบรกตัวเองนิดหนึ่งแล้วค่อยมารู้วมใหม่คือถ้าภาวนาแบบหมกมุ่นนะแต่ถ้าสติมันเกิดทียิบๆอยบาไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันทํางานไป ตัวนั้นนาทีทององเราละรีบตักตวงน้ำขึ้นรีบตักแต่ว่าพออยากจะเรียนแบบอย่างนั้นแล้วไม่ได้หงุดหงิดอะไรเงี้ยเบรกสันิดนึงให้มันลื ม, ล, มลืมเรื่องปฏิบัติไปเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาเองตอนที่ตอนที่นั่งอยู่พระอาจารย์ครับคือจิตมันแวบขึ้นมาถามตอนที่มีสติเกิดต่อเนื่องเนี่ยครับมันมันมันมันแวบขึ้นมาแล้วมันตักเอ๊แต่เรารู้สึกว่า เริ่มเข้าใจคําว่าสัมมาสมาธิที่พระอ<ม><ม>าจารย์บอกว่าเวลาจิตตั้งมั่นดูเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีปัญญารู้<ม>สึกปัญญามันยังไม่เกิดเต็มที่ไม่ปัญญาเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาจิตบางดวงมีสติไม่มีปัญญาแต่ว่าอาศัยการสะสมเชิงปริมาณ น, นะเห็นซ้ํา้ำซ้ำเนี่ยเวลาเกิดปัญญานี่มันพลิกเป็นคุณภาพอย่างฉับพลันสะสมเชิงปริมาณทีละเล็กทีละน้อยดูไปดูไปเวลามันเปลี่ยนนี่มันเปลี่ยนฉับรัน เกิดความรู้ความเข้าใจฉับพลันไม่ได้เกิดตลอดเวลาไม่ใช่แวบบแวบบแวบบี้เบียนหัวตายนานๆปิ้งขึ้นมาสักทีครับก็สุดท้ายอยากจะถามพระอาจารย์ว่าหลังจากวันนั้นมาผมก็รู้สึกผมเพ่งผมพยายามทําตลอดเลยผมรู้ผมพยายามทําตลอดอแต่นนผมนนไม่หลุดออกมาสักทีลดลดตัวนี้ลงเพราะว่าเราอยากให้มันดีอย่างนั้นให้รู้ทันว่าอยากอยากได้ของอย่างนั้นอีกอใจมันก็เลยไม่มีความสุข อใจไม่มีความสุขใจก็ไม่สงบใจไม่สงบใจก็เดินปัญญาไม่ได้จริงแต่อย่างวันนั้นเราไม่ได้เจตนาปฏิบัติจิตใจเราก็สบายๆตื่นมาเราก็ดูไปเลยดูซื่อๆมันก็ดีมันอยู่ที่เราอยากอยากให้มันดีอยากให้มันได้อย่างเก่าลืมมันไปซะ <c oughs> ใจถึงๆนะทิ้งมันไปเลย <c oughs> อดีตจบไปแล้ว อย่างน้อยเราก็ได้ริมรถแล้วว่าสติที่รวดเร็วเป็นยังไงใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นยังไงส่วนมันจะเกิดไม่เกิดเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้ภาวน า, าเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้เลยแต่เราเอาภาวน า, าเพื่อให้เกิดความรู้รวบยอดว่าทุกสิ่งนี้เราบังคับไม่ได้ตอนนี้เรากำลังอยากบังคับให้เป็นอย่างเดิมละเราไม่ได้ยอมรับความจริงว่าบังคับไม่ได้เพราเราเรียนภาวนายเพื่อจะให้เห็นความจริงไม่ใช่เพื่อเอาอะไร ถ้าตั้งเป้าแค่เอาความจริงนัง่ายอะไรก็ได้นามสการครับหลวงพ่อครับที่ที่แล้วที่หลวงพ่อพาดูสภาวะเนี่ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันไวมากมันเซนสテีブมากครับ<嗯>แล้วรู้สึกว่าจิตตัวเองไม่มีกําลังที่จะไปเห็นเสิ่งเหล่านั้นนะครับเห็นเท่าที่เห็นได้ครับนะก็ก็เลยพยายามหาอุบายตัวเองด้วยครับที่หลวงพ่อว่าให้มองอย่างสบายๆง่ายๆ<嗯>บางทีผมอยากดูกายเนี่ยก็มันไม่รู้ กายตัวเองผมต้องอใช้อุบายว่าบอกว่าไอ้นี่กําลังนั่งเพิ่มไอ้นี้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่น่าจะว่ามันผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดนะเบื้องต้นจะช่วยมันคิดก่อนก็ได้คิดนําร่องให้จิตมันไปดูแต่อย่าไปทํำจนเคยชินนะเดี๋ยวไอน้ไอนี้ไอ้นูน่นไอนัอนไเดด<笑><笑>ปเรื่อนทุกวันฟุงซ่านใช้ได้ที่ฝึกเยอะใช้โชคลางโชคราวได้ในมัรคการค่ะก็เอ ก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าเวลาเหงาเนี่ยมันสั้นๆแผ่ๆอยู่ข้างในเวลาตกใจแล้วมันปุบเข้ามาแล้วก็ตอนหลังๆนี่พยายามอยากปฏิบัติให้ดีก็พยายามพอพยายามตอนแรกไปควานค่ะตอนนี้เลิกควานตอนนี้ไปจ้องเอพอเวลาจ้องก็เหมือนแบบไปดึงดึงทุกอย่างมันลวกไปตั้งไว้เฉยๆแล้วก็แบบพอรู้ตัวอีกทีก็อ้าวจ้องอยู่ก็ปล่อยพอปล่อยมันก็เห็นว่ามันคลายไปใช่ได้ดูไปงั้น แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะแอ บ, บมีอาการแบบว่าพอมีสติปุ๊บ ก, ก็จะเผลอเผลอหยุดหยุดดูนิ่งๆแล้วก็แบบปล่อยไป อ, อรู้ไปอย่างที่มันเป็นนี่แหละถูกต้องแล้วแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันฟุ้งซ่านค่ะช่วงที่อยากอยากปฏิบัติมากๆอยากจนจนหมกมุ่นจนฟุ้งซ่านก็เลยไม่รู้ทําไงก็ไปดูหนัง<ม>พอไปดูหนังคราวนี้เห็นชัดมากเพราะว่ามันแรง<ม>ก็ ตอนนั้นจำไม่ได้ว่ารู้สึกอะไรแต่พอรู้ตัวปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันว่างไปหมดเลยคือมันมันเหมือนกับว่าเราอะนั่งดูหนังอยู่แต่มันไม่ใช่เราอะค่ะเหมือนบะเห็นเห็นว่าเคลื่อนไหวแต่ว่า ด, ดูดูไม่รู้เรื่องแต่ดูไดซพัก็รู้สึกว่าดูหนังไม่รู้เรื่องก็เลยพยายามเอากลับมามดีพอวนาะใช้ได้ดูเงองนั่นแหละสังเกตแม้ความรู้สึกแต่ละอ่านนะมันมีกิริยาอาการไม่เหมือนกันค่ะนะรู้ไปด้วย เราเห็นอันนี้ต่างกานันนี้แล้วเราก็เห็นว่าทุกสิ่งเกิดเราดับทุกอย่างมันเกิดระดับหมดเลยดูไปอย่างงั้นแหละตัวตอนจริงๆก็ไม่มีหรอกค่ะก็ที่นี้พพยายามฝึกมีสติอยู่ช่วงหนึ่งมิวคืนหนึ่งเห็นหรือว่าหลับอยู่แล้วมันพยายามมีสติอยู่<ม>ในฝันเนี่ยพอตื่นมาอ้าวเมื่อกี้<ม>ที่ผ่านมาที่คือกลายเป็นว่าเราหลับอยู่เหรอเพราะหลับ พอมันฝันปุ๊บในฝันมันก็มีอารมณ์พอมันมีอารมณ์มันก็เดี๋ยวพยายามมีสติในฝันอยู่ก็รู้สึกเรื่อต่อไปไม่ต้องพยายามหรอกพอฝันไม่ดีฝันน่ากลัวปุ๊บสติทํางานเองเลยความฝันนั้มันคือความคิดนั่นเองความคิดตอนตะหลับเรียกว่าฝันส่วนความคิดของเราเนี่ยก็คือความฝันตอนตื่นจิตเดินทํางานอย่างเดียวกันนั่นแหละขึ้นวิธีอย่างเดียวกันนั่นแหละ แล้วก็ถ้าเราฝึกสติไว้ชำ น, นิชํา น, นานพอเราฝันไม่ดีเกิดนิมิตไม่ดีนะสติทํางานเลยเพราะฉะนั้น เ, เวลาเราตายจริงๆ จ, จ, จะไม่ไปอับายนะเพราะพันนิมิตไม่ดีเกิดปุ๊บสติมันทํางานเองสมมติ ว, ว่าเห็นกระทะทองแดงขึ้นมาเนี่ยนะไม่ตกใจถ้าตกใจจิตจับฟั๊บนะก็ลงกร ะ, ะ, ะทะทองแดงนะี่เห็นกระทะทองแดงจิตปราบปลื้มนะโอ้ทรัพยากรเยอะนะ <laughs> ิดกปีติขึ้นลาอย่างนี้นะไม่ไปลงสระทะทองแดงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีคือเมื่อก่อนก็พอเข้าใจว่าตัวเราก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่อะค่ะแต่พอมันตามดูเรื่อยๆมันโอ้โหมันมันร้ายร้ายกว่าที่เคยคิดไว้เยอะมากเลยค่ะเนี่ยสำเนาหลวงพ่อพูดทุกวันเลยนะว่ามันร้ายกว่าที่เราคิดแล้วภาวนานะเห็นเลยหานางมาร้ายเท่านี้หายาก โอ้โหเราเราร้ายสุดแล้วตอนหลังมันเลยเริ่มไม่เป็นกลางค่ะดูแล้วแบบโอ้เดี๋ยวร้ายอีกแล้วเดี๋ยวร้ายอีกแล้วต้องยอมรับความจริงนะ <c oughs> จริงๆร้ายวันนี้อีก <c oughs> นี่ยังเห็นไม่หมดต้องยอมรับนะในความเป็นจริงก็คือเราภาวนาเพื่อให้เห็นกายเห็นใจเนี่ยตามที่เขาเป็นจริงๆไม่ได้อยากเป็นคนดีเพราะฉะนั้นมันร้ายขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจเราก็เห็นเลยไอ้ตัวที่ร้ายอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเรา อะไรๆก็ไม่มีเราชักอันเดียวดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีเราเราทํางานหรือทํำสงครามหรือทําอะไรเราต้องรู้เป้าหมายว่าเราเป้าหมายแรกของผู้ปฏิบัตินะคือละสักยัตทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรางนั้นค่อยดูลงไปกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกใจก็ไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะอ่ะกล้องกล้องภาวนาเป็นไงวันนี้เดี๋ยวนี้มีโพสะเยอะ แล้วก็โมหะก็ไม่ค่อยชัดด้วยก็ อ, อย่าไปกดมันกงกดอยู่ดูออกไหมกดอยู่เมื่อกี้นึกว่าไม่กดตอนนี้เห็นแล้วครับกงรู้อย่างที่เขาเป็นไปจูเรียเป็นไยแล้วก็บางทีตอนนี้มันสติมันเกิดตอนนอนอยู่มันจิตมันตื่นขึ้นมาแต่ร่างกายมันขยับไม่ได้เออใช้ได้ร่างกายบางทีสั่งให้เคลื่อนไหวก็ไม่ยอมเคลื่อนไหวนะ ที่สั่งกระดิกนิ้วมันก็ไม่กระดิกลืมตาก็ลืมไม่ได้มันก็เห็นเหมือนคล้ายๆว่าความคิดมื่อขึ้นมอเป็นนิมิตนิมิตพอรู้ทันบุ๊มมันก็ค่อยๆขาดๆไปเอเราเห็นแล้วเราเร า, เราบังคับร่างกายนี้ไม่ได้จริงอนะแต่ว่าอย่าไปตกใจอย่าไปทุรนทุรายซ้อมเอาไว้เวลาจะตายก็เป็นอย่างนั้นแหละบังคับมันไม่ได้แล้วถ้าตกใจขึ้นมาก็ไม่ดีและนิมิตอะไรเกิดขึ้นคอยรู้เอา ไดะอีกคนสองคนนะครับตมรั ก, การเจ้าค่ะหลวงพออ่อหนูชื่อกุ้งนะคะมากับพี่อุไรค่ะเพิ่งจะมาแต่ก็จะกราบหลวงพอ่อว่ามีอะไรที่ติดขัดค่ะเจ้าค่ะมีอะไรนะมีอะไรที่ที่ท่านจะให้ไปปฏิบัติบ้างเจ้าค่ะอ้เอาซีดีไปฟังนะเจ้าค่ะฟังบ่อยๆเจ้าค่ะควรฟังซีดีแล้วตื่นขึ้นมามีเป็นพันุ์แล้วนะเจ้าค่ะฟังเรื่อยๆไป คุณผู้ชายเนี่ยใช้ได้ดีมัธการหลวงพ่อผมผูกมาครั้งแรกตอนนี้ขอผ่านก่อนครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเราพอรู้เอาครับผมรู้ครับนั่นแหละใช้ได้แล้วครับขอบคุณครับจริงหลวงพ่อก็ให้ถามไปตามธรรมเนียมทั้งนั้นกลาวนมัสการค่ะพระอาจารย์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ดูได้เท่าที่ดูอืมนะคะเพราะว่า มันอยู่ที่ว่าสภาวะจิตของเราเนี่ยมันมีกําลังมากน้อยแค่ไหนฮะถ้าวันหนึ่งตอนที่จิตมีกําลังมากก็จะเห็นสภาวะที่ดับไปบ่อยๆอแต่ว่าไม่งั้นก็เผลอไปเลยอืแต่หนูก็ไม่ไม่หมายมั่นมันนะค ะ, ะเพราะว่าเราทําตามธรรมชาติให้ให้อยู่ในแบบอยู่ขณะหน้าเนะะี่ยค่ะอ่ดีก็บางครั้งมันมีความรู้เกิดขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมารวมลงแล้วเนี่ยแล้วสังขารมันปรุงแต่งว่าเป็นเรา Mm hmm. มันเกิดขึ้นแ้าไม่ทราบว่ามันเป็นจิต ท, ที่เราคิดเองหรือเปล่ามันไปรู้ไปเห็นเข้าค่ะและ<ด>้ว<ด>หนูไปนอนวัดพระอาจารย์ตานมาเจวันวันที่สองหนูก็เดินจงกลมป ก, ปกตินะคะทำกิจกรรมของวัดไปแล้วก็ถ้าเบือ่อหรือว่ามันเครียดๆก็ดูต้นไม้ต้นอะไรไปปรากฏว่าคืนที่สองเนะะี่ยค่ะมันรู้สึก ง, ง่วงแล้วนอนดีกว่าพักพอหลับปุ๊บนอนหลับตาก็เห็นซากศพตัวเอง mm hmm. แต่รู้ว่าเป็นตัวเราเป็น ตอนนั้นก็ดูจิตว่ามันไม่กลัวเพราะามันเป็นสัญญาวสุภะ hmm. มันมันเป็นหมอนใบเก่าใบที่เรากำลังหล่นอยู่แล้วหนูก็ลุกขึ้นมาไม่ไม่เจริญหนูยังยังคือเราไม่มีปัญญาปัญญาเรามันยังไม่แก่กล้าพอค่ะหนูลุกขึ้นนั่งสะบัดหน้าว่าไม่เจริญแล้วหนูก็นอนนอนต่อเพราะนอนต่อเสร็จมันก็เป็นอสุภะเหมือนเดิมเป็นซากซากแต่เรารู้ว่าเป็นเรา hmm. เป็นศพเลยค่ะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกมาสะบัดหน้าแล้วก็นอนต่อว่าหลับไปเลย ไปเล่าพระอาจารย์ตันฟังท่านบอกว่าจะลุกขึ้นมาทําไมใช่จะลุกขึ้นมาทําไมทําไมไม่ดูไปให้มันเป็นธาตุเป็นขันให้มันแตกสลายไปที่สุดหนูปัญญามันไม่แหลมคมคือเราหนูว่าหนูไม่เคยค่อยได้เจริญอสุภะอย่าอย่าอยาให้เป็นอีกนะถ้าอยากให้เป็นจะไม่เป็นไม่เป็นคะแล้วขอไปนอนไอ้หมอนใบนั้นอีกที่วัดเดิมค่ะแต่ว่าคือเวลาที่มันนิมิตอย่างนี้เกิดเนี่ย ให้รู้ไปเลย <คะ S 1> ร่างกายจะค่อยๆสลายตัวไปเน่าเปื่อยผูพังเป็นคิ้ฝุ่นขี้ผง <คะ S 1> ไปเสร็จแล้วมันจะเหลือใจอันเดียว<อ>เหลือใจเป็นแค่คนดูแล้วก็เห็นเลยว่าโลกธาตุนี้ว่างเปล่าจากควา ม, ม, วมเป็นตัวเป็นตนพระอาจารย์ตันบอกว่าให้<ม>ให้กลับมาให้ซ้อมชกไว้เรื่อยๆนะ<ม>ว่ า, างเี้ยเขาบอกให้ดูจนไปถึงว่าวันหนึ่งสุขกับทุกข์ก็ทําแค้นนะสุขกับทุกข์ เสมอภาคกันเเอออสมแล้วบอกว่าอย่าไปขี้เกียจ น, นะกลับบ้านไปซ้อมชกหนูกลับมาเจอพระอาจารย์บามาโมอีกวันนึงแต่หนูไม่ได้พูดกับท่านท่านกับพูดคํานี้อีกพูดกับคนอื่นอย่าลืมนะต้องเป็นนักมวยต้องซ้อ ม, อมซ้อมชกมไปเจอคุณดังตินเ ข, เ, ข เ, ขเขาทักหนูหนูถามว่าที่คุณดังตินพูดกับคนอื่นเนี่ยเราจะเหมือนคนอื่นไหมห น, หนูถามอย่างเงี้ยคุณดังตินบอกไม่เหมือนครับเพราะคุณไม่เหมือนแล้วเขาบอกว่าคุณไปดูตัวหนึง่ง พอคุณมีความรู้อะไรเกิดขึ้นคุณจะจับเท่านั้นหนูก็โล่งทันทีเลยนั่นไงผมทักคุณว่าคุณมีความรู้เกิดขึ้นคุณจับทันทีค่ะแล้วเขาก็เล่าให้เล่าให้คุณดันตีนฟังแบ บ, แบบแบบเมื่อกี้เนี่ยคะเขาก็พูดเหมือนจันตันยงไงได้แค่นี้นะที่เหลือก็ว่ากันใหม่แล้วแต่บุญแต่กรรม <c oughs> เอาซีดีไปฟังเอาช่วยไม่ไหวแล้วเนาะสู้ไม่ไหว